ก็อย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงสิ่งที่ควรกับควรกำหนดรู้เพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเนี่ยนะพูดพูดพูดขันอายตนะธาตุเนี่ยน ะ, ะเป็นซึ่งเป็นสภาวะที่ควรกำหนดรู้แต่ให้เจริญสัมมาทิฏฐิเจริญวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิใส่ใจว่าขันอายตนะธาตุเหล่านั้นนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะ เสร็จแล้วพอใส่ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตายดังกล่าวไปแล้วเนี่ยก็ได้เสวยเวทนาใช่ไหมบทว่ายังกินจิเวทนาได้แก่เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งแม้มีประมาณน้อยโดยที่สุดแม้แต่เวทนาที่ประกอบกับทวิปัญจวิญญาณเช่นเวทนาที่เกิดร่วมกับจักรคูวิญญาณซึ่งเล็กน้อย เวทนาที่เกิดร่วมกับโสตวิญญาณซึ่งเล็กน้อยคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะสันตะิรณะจริ ง, รงๆเวทนาเหล่านี้เล็กน้อยไม่ต้องพูดถึงไอ้เวทนาหยับหยาบที่อยู่ในมโนวิญญาณเวทนาที่ประกอบกับอกุศลเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้พระพุทธเจ้าแสดงการกำหนดอารูปประธรมรมกระบว่าวอะไรนะอารูปกรรมฐานโดยยกเวทนาขึ้นเป็นประธาน จริงๆแล้วนามนี่กาหนดยากหรือไม่ยากถ้าสีหน้าไม่ดีเรารู้ไหมว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงรู้ไหมเอาถ้าสีหน้าดีๆรู้ไหมว่าเนี่ยนะเรียกว่ารู้เลยว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงมันพูดถึงความรู้สึกดูจากรูปเนี่ยเข้าใจแล้วว่าความรู้สึกเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้ น, น, นพระองค์ก็เลยแสดงอรูปกรรมฐานคือเวทนาคือคือถ้าพูดพระองค์แสดงทำให้มนุษย์ฟังเนี่ยนะ ถ้าแสดงทำให้มนุษย์ฟังนั้นจะแสดงโดยยกรูปกรรมฐานเป็นหลักถ้าแสดงทำให้เทวดาฟังส่วนใหญ่จะยกเวทนาเป็นหลักถามว่าทำไมเพราะเทวดาทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่ทุกอย่างมีแต่ความสุขมันไม่ค่อยมีทุกข์นะเรื่องรูปไม่ค่อยมีปัญหาแต่มีปัญหาเรื่องติดในความรู้สึกติดในความสุขก็เลยแสดงเวทนากรรมฐานตรงนี้ท่านบอกว่าแสดงไว้ชัดเจนแล้วใน เวทนานุปัสนาสติปฐานโนในเล่มก่อนโนนะเล่มสิบเจ็นี่ย น, นะกนะ็บอกว่าท่านบอกว่าท่านแสดงมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะก็วิธีการเจริญเวทนานุปัสนาเจริญอย่างไรเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดด้วยปัญญาว่าเนี่ยเป็นสุขเวทนานี้เป็นสุขเวทนาเนี่ยเราเราว่าเราหรือเวทนากันแน่เราไหงเวทนานะเวทนานะหรือเราเนี่ยนะนะ ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้เวทนากันแน่เวทนานะเเดี๋ยวตอนป่วยเลยไปถามดู <c oughs> ความสุขเอ้เวทนาเออมันเวทนาหรือเรากันแน่นะเขาบอกว่าเมื่อสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเวทนาแต่สัตว์ทั้งหลายโดยมากเราเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาโดยมากก็ไม่คิดว่าเวทนาของเราอะทุกอีกแล้วเนี่ยนะนะ เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาคืออุเบกขาเวทนาเป็นเวทนาหรือเป็นเราเวทนามันสรุปว่าเห็นเวทนาเป็นเวทนาเนาะแต่มันเห็นเวทนาว่าเป็นเราทำไงดีคะนี้ไม่ยอมเห็นเวทนาเป็นเวทนาเลยนะมันเห็นว่าเป็นเราทุกทีไปเลยเนี่ยนะอันนี้แหละก็พยายามอย่าหลงลืมว่าเออเวทนาก็คือเวทนาเนี่ยนะแล้วเวทนามาจากภวันไหนบ้าง ทวารตาเวทนาที่มาจากทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจเนี่ยนะทีนี้เวทนาเหล่านี้บางทีเวทนาที่ประกอบกับกุศลเรียกว่าเวทนาไม่มีอมิตรไม่ประกอบกับเยื่อเนี่ยนะเวทนาที่เป็นอกุศลเรียกว่าเวทนาที่มีอมิตรเป็นสุขเวทนามีอมิตรทุกขเวทนามีอมิตรอุเบกขาเวทนามีอมิตรหรือสุขเวทนาไม่มีอมิตรทุกขเวทนาไม่มีอมิตรหรืออุเบกขาเวทนาไม่มีอมิตร อนสุขเวทนาไม่มีอมิตก็คือสุขเวทนาที่ประกอบกับสมถะและมิปั ส, สนาทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตคือทุกขเวทนาของผู้ที่ต้องการบรรลุมักผลนิพพานอยา ก, กบรรลุไม่บรรลุกทีเนี่ยนะนี่ก็พิจารณาเวทนาทั้งปวงเหล่านั้นเนี่ยนะว่าอย่างไงก็ถ้าเป็นในสติปัฏฐา น, นสติปัฏฐานก็จะบอกว่า เมื่อสเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาเมื่อเสวยสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนามีอามิตรเมื่อเสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม่มีสุขเวทนามีอมิตรไม่มีอมิตรเนี่ยนะ เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนามีอมิตรเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาไม่มีอมิตรเมื่อเสวยอัตุขมสุขเวทนามีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอัตุขมสุขเวทนามีอมิตรเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเสวยอัตุขมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเนี่ยนะ พิจารณาเวทนาทั้งเกเวทนาเก้าเนี่ยนะเวทนาเก้านับยังไงสุขทุกขุเบขาเป็นสามใชม่มีอมิตรกับไม่มีอมิตรเนี่ยนะเป็นหก็เป็นเก้าเน่ก็บอกว่าก็สุขเวทนาไม่เที่ยงเนี่ยนะอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นเนี่ยนะทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอทุกขมสุ ข, ขเวทนาก็ไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อรู้อย่างนี้รู้ว่านี้ เวทนานี of of ้เหตุให้เ <c> ก <oughs> ิดเวทนานี <c oughs> <c oughs> <t sme ets> <c oughs> ้ความดับแห่งเวทนาสุขเวทนาเนี่ยเกิดมาจากอะไรทําไมจึงสุขเพราะสุขภัพสะภัพสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขจึงเกิดความสุขที่ทุกข์อ่ะก็เพราะมีภัพสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์จึงเกิดความทุกข์และอุเบกขาก็เพราะภัพสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาจึงเกิดอุเบกขาพันธะขัพสะเกิดเวทนาก็เกิดถ้าดับภัพสะ เวทนาก็ดับแล้วภาษาจะดับเพราะอะไรดับถ้าอายตนะดับถ้าดับอายตนะได้ภาษาก็ดับถ้าจะดับอายตนะนี่ต้องดับอะไรต้องดับนามรูปถ้านามรูปดับก็จะดับอะไรสลายตนะถ้าจะดับนามรูปได้ต้องดับวิญญาณโดยเฉพาะปฏิสนธิวิญญาณถ้าจะดับวิญญาณได้ต้องดับกรรมสังขารคือกรรมนี่นะถ้าจะดับกรรมได้ก็ต้องดับอวิชชา ถ้าสำรอกอวิชชาได้โดยไม่มีส่วนเหลืออะไรดับสกกรรมคือสังขารก็ดับถ้าสังขารดับถ้าดับสังขารเสร็จวิญญาณก็ดับถ้าดับวิญญาณเสร็จนามรูปก็ดับถ้าดับนามรูปเสร็จอายตนะก็ดับถ้าดับอายตนะเสร็จภาษาก็ดับถ้าดับภาษาได้เวทนาก็ดับรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุเกิดของเวทนาอะไรเป็นความดับของเวทนาเนี่ยนะก็เหตุเกิดเวทนาก็คือเพราะ พัสสะเกิดสลายตนะเกิดนามรูปเกิดวิญญาณเกิดสังขารเกิดและอวิชชาเกิดแต่ถ้าดับอวิชชาได้ก็ดับส <unt> ังขารได้ถ้าดับสังขารได้ก็ดับวิญญาณได้ถ้าดับวิญญาณได้ก็ดับนามรูปได้ถ้าดับนามรูปได้ก็ดับอะไรสลายตนะได้ถ้าดับสลายตนะได้ก็ดับพัสสะได้ถ้าดับพัสสะได้ก็เป็นอันดับเวทนาและจะดับอวิชชาได้ไง ก็บกว่าทำวิชาให้เกิดแล้วทํำยังไงวิชามจึงจะเกิดนี่แหละก็เลยมาเรียนเหมือนกันนะนัม่กำลังคิดว่านี่แสดงว่าถ้าบอกนี่แหละก็เลยคิดมาเรียนก็แสดงว่าแหมย้อนกลับไปตั้งแต่เช้าเลยนะจะถอยหลังกลับไปมากไปเมื่อกี้นี่ยพอแล้วพระ อ, องค์บอกว่าไงบอกว่าย่อมพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงอันนี้หนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์ในอย่างหนึ่งพิจารณาเห็นว่าเป็น อนัตตา เ, เข้าไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความน่ายคือนิพิทาพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะก็ยกเอาอะไรยกเอาอนุปัสนาสีข้อพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงก่อนเนี่ยนะอนิจจานุปัสสีเป็นผู้มีปกติพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงคนที่จะเข้าใจอนิจจานุปัสสีต้องรู้จักสามคำนี้ก่อนหนึ่งอนิจจัง สองอ น, นิจจานุปัสสนาสามอ น, นิจจานุปษษัสสีอนิจจังเนี่ยอนิจจังเนี่ยมีความหมายว่าไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงขังหขนห João, ้า hey, evet. ไม่เที่ยงขันห้าตัวอนิจจังอ่ะคืออะไรก็คือขันห้านั่นแหละตัวไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวอนิจจังตัวอนิจจังตัวไม่เที่ยงก็คือตัวขันห้าตัวขันห้านั่นแหละคือตัวอนิจจังละว่างั้นเถอะไม่มีใครทําขันห้าให้อนิจจังได้หรอกเพราะเมื่อไรเมื่อไหร่ขันห้ามันก็คือตัวอนิจจังนั่นแหละเดี๋ยนะ เพราะอะไรเพราะขันห้ามีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็สิ่งใดที่มันเกิดมันก็ไม่เที่ยงเสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเกิดเพราะมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงเสื่อมเพราะฉะไอ้ตัวขันห้านั่นแหละคือตัวไม่เที่ยงส่วนอนิจจานุปัสสนาล่ะก็คือตัวปัญญาที่ไปเห็นว่าไม่เที่ยงอนิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของความเห็นเป็นชื่อของความรู้ก็แปลว่าเป็นชื่อของปัญญา ปัญญาที่รู้เห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสิ้นไปเป็นของเสื่อมไปปัญญาที่ไปเห็นว่าสิ้นไปเสื่อมไปอะ่ะปัญญาตัวนั้นแหละชื่อว่า Ancient. อ น, นิจจานุปัสสนาอนิจจังเป็นชื่อของขันห้าอ น, นิจจานุปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาที่ไปพิจารณาขันห้าที่ไม่เที่ยงบุคคลใดที่มีปัญญาพิจารณาขันห้าว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นชื่อว่าอนิจจานุปัสสี อนุปสัสสีสีตัวนั้นแปลว่าปกติเนี่ยนะปกติแปลว่าทําเป็นอุตสาหกรรมทําเป็นอาชีพเพราะตัวเองใยที่จะพ้นทุกข์ก็เจริญเป็นเรียกว่าตามเห็นอันนีจานุปสัสสีวิหารติอยู่อยู่ตัวนั้นอยู่ยังไงวิหารอะวิหารมีเท่าไหร่สี่หนึ่งอริยบทวิหารสองทิพวิหารสามพรหมวิหารสอริยวิหารตรงนี้หมายถึงอริยบทสี่เป็นคนที่เจริญ ปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในขันห้าจะยืนก็ตามจะเดินก็ตามจะนั่งก็ตามเห็นขันห้าที่ไม่เที่ยงผู้เห็นเนี่ยจะเห็นตอนยืนตอนเดินตอนนั่งก็ได้แต่แต่ขันห้าเนี่ยอาจจะขันอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ปัจจุบันก็ได้ภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ขันหยาบขันละเอียดขันเลวขันประนีตก็ได้ไม่เกี่ยงอารมณ์แต่เกี่ยงว่าต้องเจริญทุกได้ทุกอิริยาบถเจริญได้ตลอดเวลาเนี้ยนะและอารมณ์ของปัญญาล่ะ ก็บอกโอ้ยวิปัสนาเน่กำหนดรู้อารมณ์ปัจจุบันบอกว่าเอาแล้วอดีตกิเลสเกิดได้ไหมเอาแล้ววันวันหนึ่งเราคิดถึงอดีตหรืออนาคตรหรือปัจจุบันมากที่สุดก็แล้วแต่ใครอะนะแต่ที่แน่ๆอยู่กับปัจจุบันถ้าคนที่มีดวงตาทำตานั่งเปรียบๆเห็นแต่ปัจจุบันอย่างเงี้ยฉลาดหรืองโง่ไม่ได้ฉลาดอะไรเลยเนี่ยนะเขาบอกพูดว่าไม่ฉลาดนี่ก็หนักนาอีกแล้วนะ ที่จริงแล้วที่นี้ถามว่าแล้วอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้อะไรบ้างอ่ะอวิชชาไม่รู้อดีตอวิชชาไม่รู้อนาคตอวิชชาไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตอวิชชาไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทอวิชชาไม่รู้ทุกอวิชชาไม่รู้สมุทัยอวิชชาไม่รู้จักนิโรธมรกอะไรสักอย่างอ่ะนะอวิชชาไม่รู้ที8ดทีปัญญาแล้วให้เกิดเฉพาะในปัจจุบันพอไหมไม่พอเพราะนนั้ปัญญาจึงรู้ทั้งอดีตหนึ่งปัญญาเนี่ยรู้อดีตปัญญานี่รู้ อนาคตปัญญานี้รู้ทั้งอดีตอนาคตปัญญารู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะปัจจุบันอยู่ในฐานะปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุเนี่ยนะก็เลยไม่บอกไม่ยกคาว่าปัจจุบันเฉยๆแต่ยกคาว่าปฏิจจะเพราะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะปัจจุบันผลกับปัจจุบันเหตุเนี่ยนะเพราะเขาจะมองเห็นทั้งเหตุและผลเหตุก็ไม่เที่ยงผลก็ไม่เที่ยงน่นะแล้วก็เห็นว่าทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนี่แหละคือทุกขสัจจะ เพราะปีลานะสันตาปะวิปริณามะและสังคตะเนี่ยนะฉันทราค่าในขันเหล่านี้แหละเป็นสมุทยาสัจจะอวิชชาในสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสมุทัยละถ้าดับสังขารธรรมสังคตะธรรมทั้งกล่าวไปหมดแล้วเนี่ยเป็นนิโรสัจจะแล้วปฏิบัติอย่างไรล่ะก็ปฏิบัติเนี่ยแหละอนิจจานุปัสสีเนี่ยนะตามเห็นขันทั้งมวล ท, ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตนั่นแหละว่าไม่เที่ยงนะนะ นายทั้งยืนก็เจริญอย่างนี้นั่งยืนนอนก็เจริญโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเช้าว่าไงนะวิปัสสนาใกล้ต่อทุกใช่ไหมใกล้ต่อสุขมันคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยมันใกล้ต่อทุกมันก็นัน่นเหงื่อท่วมเลยนะเพราะนั่นก็ไม่เที่ยงนี้ก็ไม่เที่ยงมันมันฝืนฝืนใจตัวเองมากๆเลยนะใจตัวเองมันอยากให้เที่ยงใช่ไหมปลูกดอกไม้แล้วอสุภาอสุภาคิดอย่างนี้ไหมตอนปลูกอะ ยากนะเอา้ามันอสุภาสีเนี่ยเพราะเวลาใสาปุยเนี่ยเนี่ยมูลโคมูลวัวทั้งนั้นเป็นต้นเนี่ยนะเวลาใส่ปุ๋ยเอาอุจาระปศวา่าเป็นต้นมารดเพราะฉะนั้นดอกไม้มันจะสุภาพจะงามมาจากไหนคิดอย่างงี้ไหมไม่เนี่ยนะแว่ทีที่อะไรนะที่รดน้ำใส่ปุยเนี่ยนะโอ้ยไม่ได้เอาของสะอาดเลยมารดใช่ไหมแต่ขอให้ดอกน้าํางามคิดอย่างเนีเ้มันมันมันก็มนไม่ค่อยคิดความจริงน้องเรืองเนาะเห็นะแมแกจะกลับไปทำสวนแล้วเนี่ย มีสองคนนั่งเรือนะแล้วก็นั่งรถไปเดียวกันอีกแล้วให้บากันต่อ